มีมนพระเจ้าพระสงฆ์หรังสันครับแล้วแต่ญาติโยมก็รับประทานอาหารไปพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการฟังเทศไปด้วยฟังพูดฟังวอาให้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่เป็นวันกำหนดงานของเรามาตั้งแต่วันที่สามสิบมาถึงวันที่สี่วันนี้ คือวันนี้เป็นันอวคิดว่าจะมีการเปิดอบรมที่วัดสนามไนเพื่อจะทําการหรือทํางานทําหน้าที่ของเราเปิดอบรมขึ้นคําว่าเปิดอบรมในกับหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนมาพบมาเห็นเอาได้หรือว่างายของที่ค่วมหน้าไว้เปิดของที่ปิดนั้นออกเชื่อว่าไม่ต้องปิดบงัง ถาเรายังปิดบังอยู่เขาว่าปลาติดเบ็ดอะไรหนึ่งทุกคนพูดกันได้มามากที่สุดเรื่อง น, นี้เรื่องปลาติดเบ็ดนี่คือปลาติดเบ็ดนั้นเราเข้าใจว่าปลาเขาเอาเยื่อไปล่ออ่ะเอาเนื่อไปล่อแล้วให้หลวงพ่อว่ากาษาบา้านหลวพอเอาเอาเบ็ดดวงเบ็ดลาลาดงเบ็ดเ ป, เป้าๆนี่ทิ้งลงไปปลาเนื้อกินบันนี้เอาเนื้อไปเสียบใส่ ป่ามาบรเว็ดวงเด็ดมันก็นเลยไปกินพอได้กินแล้วป่ามันติดติดตักติดติดเด็ดเลยบังดิ้นดิ้นมาออกล่ะอันนี้คือว่าเกินบวลงขายบวออกอันนี้พ่อหยังลูกเสียงกินรสสัมผัสธรรมลมเสียงเยินยอเสียงซื้นโทมเยินยอเป็นสิงทาลุนที่แสบเผ็ดมากที่สุดอันนี้ดีกว่าเราติดให้เข้าใจว่าจังสรรย่าิไปว่าสื่อ มันเป็นเสียงมือเลยถ้าขันวอย่างสิมันบดไหนัดเนี่ยรอบไปเสียงมืออื่นที่เราติดเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราไม่ต้องไปกินอันนี้แสดงว่าเรากินเด็ดแล้วเบื่อเท่าใดมันก็ไม่รู้เพราะเราติดลาบยศสนเสริญเสียงเยื่อ น, นั่นเองถ้าเราอยู่ตรงกลางไม่ติดลาบยศสนเสริญเราจะพูดแต่ความจริงปฏิรูป ไม่ใช่ปฏิวัติปฏิรูปสิ่งที่ซัวลายนั้นออกไปเราจะพยายามตั้งอยู่ในฐานะความเป็นจริงใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องคำพูดเฉยไม่ติดเสียงเยินยอสนเสริญเสือไม่ติดเบ็ดถ้าหักติดแล้วดึงออกไปไม่หลุดคือไม่ลงหายไม่ออกเ้าไว้อันนี้ก็แสดงว่าคนไปติดราบนดสนเสริญเสียงเยินยอ เรียกว่ากามารมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนะว่าเสียงเยินยอและซึนสมลาบยศนเสริญเป็นสิ่งที่ธาลุนแสบเผ็ดในคำว่าอย่างนั้นดังนั้นเราไม่เข้าใจเราจิดที่ไหนเราไม่เข้าใจเกินไม่ลงหายไม่ออกเลยที่เชื่นก็ที่ได้เมื่อจะจับเข้าไปก็เป็นของที่สปกปรกก็เลยติดกันเลยดังนั้นวัตนธรรมไหน เรามีการเปิดอบรมมาแต่เมื่อวันที่สี่แล้วนั้นมาเออหลงวันวันที่สามสิบนะวันที่สามสิบตอนเย็นวันที่สามสิบนั้นบางคนคนที่เคยไปอบรมที่นั้นที่นี้เตรียมตัวมาพร้อมรู้จักทิศทางคนที่ยังไม่เคยมางั้นไม่รู้จักทิศทางเลยเพราะการเจริญ สติสมาธิปัญญาควรรู้สิตัวแบบนี้ไม่ต้องไปอ้างเองกับตำราและไม่ต้องปฏิเสธตำราและไม่ต้องไปยืมเอาคำพูดคนอื่นมาพูดดังนั้นเนี่ยการพูดธรรมะต้องพูดของเราพูดสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั่นแหละงว่าของเราแท้ไม่ไปยืมเอาคำพูดของคนอื่นมาเลย ถ้าเราไปยืนตำราก็เลยไปหยิบดืมเอามาจากตำรามาพูดท่านไวยถ้าเราไปจําเอาคําพูดของคนอื่นกับไปหยิบดืมเอาคําพูดของคนอื่นตัวเองไม่มีดีครับว่าคนอวดดีไม่มีดีในตัวท่านไว้ย่างนไงคนอวดดีกับคนมีดีมันจึงผิดกันอย่างนั้นดังนั้นการเจริญสติเจริญปัญญาหรือเจริญสมาธิที่ว่าอย่างไงก็ได้วิธีที่ตัวผมหรือตัวอจตมาธรำมีอาตมา ไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองและก็จะเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองเนี่แหละไปเผยแร่ให้คนได้รู้ได้เห็นพ่สูจรได้จริงๆเพราะว่าของจริงมีอยู่ในตัวเราแถ้ที่นี่นับที่ไหนเราเห็นเรารู้เราเข้าใจคนอื่นจะลู้เหมือเราไปไม่ได้นี่คือสมารถฐิเราเห็นจริงแต่เราไปติดตารา ไปติดครูจิตอาจารย์ติดคําพูดของคนนั้นคนนี้นั้นยังไม่เป็นสมาธิธิแต่หลวงพอพูดเรื่องสมาธิของหลงพ่อนะนี่ไม่ได้พูดสมาธิธิของคนอื่นนะคนอื่นที่เป็นยังไงไม่รู้ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยังกล้าได้พิสูจน์ได้คนมีปัญญาเมื่อยังไม่เกิดปัญญาต้องให้เขาทําให้ทําจริงๆทําก็จริงพูดก็จริงก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้ว ทำไม่จริงพูดไม่จริงก็ไม่รู้แก้ไม่เห็จริงแล้วความจริงจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนจริงพูดจริงทําจริงเท่านั้นจึงจะปรากฏขึ้นมาได้เรื่องนี้ตัวของผมเองเคยทํากรรมฐานมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนึ่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรไม่รู้เลยตำราครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แต่ว่า ไม่ใช่ตัวจะมารูนะครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แล้วก็ไปอ่านดูมืออยู่ในหลักสูตรนักทําสันเอกธรรมวิจารเป็นว่าอย่างไ น, นเป็นคนที่เรียนนักทำตีนักทำโทร่านไปแล้วนักทำเอกผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องท่านว่าให้ติดต่อกันเหมือนลูกโตไม่ขาดช่วงขาดสายท่นอย่างนั้ น, น, นไม่เกินเจดปีหรือเจ็ปี อย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอั น, นี้สงสองประการ 1. ึเป็นพระอรหันในปัจจุบันครบนี้หรือศาสตรนี้ 2. สองเป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันทันไวนะ้บันทีตัวเองทำมาตั้งแต่เป็นเดือนถึงอายุสี่สิบหกปีเท่าใดไม่รูนะ้เป็นเรนอายุสิบปีนะสี่สิบหกปีกีปี สี่สิบเอ็ดเอาการว่าสิบสิบเอ็ดสบสองปีถึงส <30. S 1> ี่สามสิบห้าปีทำมาอย่า ง, งยังไม่รู้เลยอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้ทิศทางน้ำอย่างท่วมศีษะอันว่าภาษาทางนี้ลาบ้านหงพ่อได้ว่าน้ําท่วมหัวโยมมาจิมองแต่ฟังได้หรือมันก็มองบพราเห็นต่ฟังสิน้อยอย่างนั้นเป็นว่าเมื่อทําแล้วไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ยมันเป็นบาปหนักที่สุด สิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละเป็นโทษอย่างหนักที่สุดสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละมันเป็นอันธี่ว่าอยู่ในถ้ำอยู่ในที่มืดติดไฟขึ้นมีความสว่างนิดเดียวเพราะเราเป็นนึกถึงตารานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคําพูดของคนนั้นนึกถึงคําพูดคนมีความสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองที่ว่าพอดีไฟมืดปึ๊บอยู่ในทําตามเคยงาอย่างท่วมศีรษะ งานอย่างท่วมหวยมองไม่เห็นทิศทางไปทางไหนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่ออายุสีสิบหกปีานึ่งริ้สึว่าตัวเองมองเห็นข้างโน้นข้างนี้มองเห็นข้างหน้าและข้างหลังไม่ใช่อดีตตาแล้วนะอยากจะเข้าใจว่ามองเห็นข้างหน้าข้างหลัง ก, ก็หมายถึงมองเห็นศาสแล้วที่มองเห็นศาสหน้าที่อันนั้นเป็นการตีหัวหมายไปเราไปคิดเอาเองธรรมะอย่างที่ หลวงพ่อพูดนี้จะคาดคิดเอาไม่ได้จะนึกฝันเอาไม่ได้จะรู้ร่วงหน้าไม่ได้มันต้องเป็นแล้วจึงจะรู้มันต้องรู้แล้วจึงจะเห็นเห็นแล้วจึงเข้าไปสัมผัสได้เมื่อสัมผัสได้เรียกว่าสัญญานั่นแหละคือสัญญาไม่ใช่สัญญาจํามาจากตํำรับตาําราจํามาจากครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นสัญญาลโลกโลก ไม่ใช่สัญญาที่ตัวของอาตมาพูดเดียวนี้คนไม่มีสัญญาจึงไม่มีญาณวิปัสสนาคนไม่มีสัญญาจีงไม่มีญาณของวิปัสสนาปัญญาจึงรอบรู้ไม่ได้เมื่อคนมีสัญญาแล้วญาณวิปัสสนาเขาไปรู้ปัญญาจึงรอบรู้ได้จึงเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงว่าคนเกิดมา้วต้องตายแน่ทุกคนตายจริงๆไม่ยกเว้นทีเดียว ไม่จะเป็นคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสก็ตายเป็นคนอเมริกาก็ตายถือศาสนาพุทธก็ตายถือศาสนาคิดก็ตายถือศาสนาอิสลามก็ตายถือศาสนาฮินดูก็ตายให้ว่าคนเนี่ยถือศาสนาไหนก็ตายทั้งนั้นยดียวกมตายคือสัจจะชนิดหนึ่งนี่มองเห็นเข้ามากใกล้ตอนบัดนี้อันมรรคผลไม่ผ่านนั้นถือศาสนาไหนก็รู้ ถ้าหากคนจริงถ้าคนไม่จริงเรถือศาสน า, าพุดก็ไม่รู้ถือศาสนาใดก็ไม่รู้มันเป็นยางไงเพราะเราไม่ศึกษาตัวเราเราไปศึกษาตำราแล้วก็เอาตำรามาพูดมันก็เลยไม่ได้ศึกษาของจริงรู้เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ไม่รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ไม่รู้คิดลอยอันผันเรื่องไม่รู้เลยอันนั้นเนี่กว่าเราเข้าไปในถ้าเข้าไปในความคิด นักมวยเนี่ยที่เขาเป็นเซียนเปี้ยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนครูเรียนกับครูอาจารย์เคยเห็นไหมนักเรียนเออนักเรียนก็ได้นักมวยก็ได้เขาไปเรียนมวยมาะ เ, เขาเรียนมาไว้ซกเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อโอ้อวดอะไรเมื่อเขาซกในเวทีมากขึ้นมากขึ้นเขามีความเสน่สันนาร์เขาก็ได้เป็นเซีนเปี้ยนเองโดยธรรมชาติ นักมวยทุกคนเรียนมาจากครูบางคนก็ยกไหว้ครูขึ้นไปในเวทีเพกราบทิศนั้นทิศนี้เพราะครูสอนดังนั้นเนยก็ต้องกราบครูนึกหาครูเป็นแฟนเพี้ยนไม่ได้คนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อติดตําลาแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดจึงเลิกเสียความหลังเลิกเสียความจดจำํำเราต้องตั้งปัจจุบันให้ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ อนาคตที่ยังไม่มาถึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราจะเห็นจะรู้จะเข้าใจแก้ปัญหาได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองแล้วปัจจุบันเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้น <whatever> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อนาคตคนอื่นนะคือโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มีความมืดบอดวุ่นวายสับสนอยู่อย่างนี้เน้จะมีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้นเขาเรียกว่าโลกโลกนี่เจียววุ่นวายอยู่ไม่เต่าถ้าพระเจ้าท่านตรัสว่าสูงทั้งหลายจะมาดูโลกนี้อัตตการดูละจะลดที่คนนี่ว่าคนผานกันเลยมันหลวงพอเรียกว่าคนโง่เลยที่คนทานเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมจึงละเลิกเสียงเยินยอเลิกสนัน่เสริญเลิกนินทาจึง่ะไม่ติดอยู่กับโลก คนใดหักไปติดอยู่กับกเก็เหมือนฝาติดเบ็ดนั่นเองติดเขาชนะเสริญติดเขาสมติดเขาย่องฝาติดเบ็ดดีแ้่เด็ดเขาไม่หลุดเลยคืนไม่ลงหายไม่ออกตายขาเบ็ดเลยเงี้ยบัดนี้คนที่มีปัญญานะสมมุติว่ฟนะิตแรงแรงปากจะลุกปากจะเวกว็บากา็ดำฟิตแรงแรงเบ็ดหลุดไปได้สบายอันนี้ก็แสดงว่ามันติดแล้วจําเป็นต้องหาวิธีแก้เสียงเงนเยอยยอลาบยกชนะเสริญ ถาหักไม่แก้เมื่อไใดก็ติดเด็ดดื้นไม่ออกอยู่ตลอดเวลาบัดนี้คนบางคนเห็นจะเอเยื่อมาขึ้นปุ๋มนล่เฮ้ยเขาหลอกเราไม่กินเลยแต่หากินที่ไม่มีเด็ดนะครับว่าแต่หากินที่ไม่มีเด็ดไม่มีอันติยเราพอดีกินลงไปไม่มีพิษไม่มีสารกินป่าต้องเลือกอย่าไปกินก้างพูดได้ทั่วไปแต่คนกินก้างติดคอขึ้นไม่ลงเลย กินปลาจะไปกินก้างพูดได้กินแต่ก้างเนื้อแทะไม่ได้กินกินเนื้อไปกินแต่กระดูกเนื้อแทะไม่ได้กินดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องโคกต้องสับไม่ไปโคกไปซับเนะี่ยพูดคว่ำจริงให้ฟังเนี่ยเปิดของที่คว่วมมันคว่ำหน้าอยู่ดหงายออกมาหงายออกมาที่มันคว่ำหน้านะของที่มันปิดนจะเอาให้กลแจแล้วกลืนตักตายนะแล้วกลแจเรือน ถ้ากุญแจตักทายเข้าไปมันสวมันไม่ได้กับน็อตเอา้าเอากุญแจเลื่อนตัวนี้เข้าไปหันเข้าไปไม่กุญแจมันทุกตัวแล้วเอา้าบิด้ายขายออกมาได้ถ้าจับมือบิดมันจ่อมันไม่มีแรงใช้ตัวยาวๆทํานวดนิดเดียวไปได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันคว่ำไม้คว่ำเดียวเท่านั้นดังนั้นคําพูดคําสอนพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไวใบไม้ในป่ากับใบไม้กับมือเดียว ละจะมากน้อยพอ ก, กันใบไม้ในป่าน่ยมากที่สุดคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่จะเอามาเป็นยารักษาโรคให้หายจริงจรงเพียงกํามือเดียวเท่า น, นั้นเองที่ว่าค่วมรู้สึกตัวตื่นตัวค่วมรู้สึกใจตื่นใจรู้<า>เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจในเองใบไม้กํามือเดียวท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจ ถ้หไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ป่าติดเด็กมันเองดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าเมื่อทำวัดก็พูดแล้วตอนเช้าเมื่อทำวัดก็พูดให้ฟังบัดนี้มาสันตอนเช้าก็พูดให้ฟังอีกเพราะทำความเข้าใจเพื่อจะชี้ทางให้คนเดินโดยที่ไม่หลงไม่หลงจริงๆไม่หลงตนไม่ลืมตัวอันนั้นแหละสัญญาแท้ทันว่า สัญญาความหมายรู้จำได้ฉันว่าอย่างไงสัญญาตัวนั้นทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นญาณเข้าไปรู้เพราะว่าญาณเข้าไปรู้ไม่ใชเอาหัวเข้าไปมันจะลู้เองมันเใช่ปะญาณเข้าไปรู้เมื่อรู้แล้วปัญญาต้องตรวจสอบดูว่าอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ในบาดแผลเราที่ได้รับขนาดไหนต้องเห็นคนอื่นจะรู้ดีเหนือนเราไม่ได้ สิ่งที่มันที่ลี้ลับคนอื่นไม่มองเห็นเราไม่สามารถจะเปิดให้คนอื่นดูได้อันนี้แหละจิ่วเราเห็นของจริงแท้เข้าใจแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆคําว่าตายเลยนะตายจริงๆนี้ไม่พ้นเราจะทํำยังไงโยนจะตายมาแล้วเนี่ยเราจะตายไปด้วยความมืดหรือเร่จะตายไปด้วยความสว่างเราต้องพูดอย่างนี้ เราจะตายไปด้วยขมืดหรือเราจะยางไปเนี่ยแบบมืดไปดําหลับตาไปหรือเม่อกี้กิตตะเกียงไปได้กินไปมือสวยเบ้านของพ่อวางท่านขนาดไตไสไปกันระวังอยู่จะเหมันมอดขันไตมือสวยแล้วบวุตรหญิอย่างวะทีคขันไตมือคืนเนี่ยบ่มีไฟเราก็เ ย, ยียบหลักเยียบต่อขึ้นวันบางทีลงคูลงคลองตกบอ่อตกหลุมขึ้นวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านจึงสอนเอาไว้ทำเหล่าใด เป็นไปพะควมเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นดีนไหนนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติมันเดือดร้อนเนอะคำ ว, ว่าไม่ควรปฏิบัติแปลวเดือดร้อนนะมันไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้อานาะคตมัจะเดือดร้อนมาเจ้าไม่ควรปฏิบัติทันไวทำเราใดเป็นไปพะควมไม่เบียดเบียนตนเองและ ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคาสอนของพระพิควรศึกษาและควรปฏิบัติทันวันคือเรารู้สึกตัวเนี่ยควรรู้ควรเห็นที่เรารู้จิตใจเรานึกคิดเนี่ยควรรู้ควรเห็นไม่เบียดเบียนใครเลยจิตใจมันคิดคิดไม่ดีเบียดเบียนตัวเราเมื่อพูดออกไปเป็นเบียดเบียนคนอื่นบัดนี้เมื่อเขาชมเราเบียดเบียนตัวเรา เมื่อไปเขาไม่ชมรเราเบียเดเบียนคนอื่นนี่ถนัดอย่างนั้นคือว่าทำเหล่าใดเป็นไปควมเบียเดเบียนตนเองแล้วไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติพวามอักลิศนี้หนีหนีไปให้พน้นเนี่นยนั้นถ้าหากหนีจากควมคิดปรุงแต่งไม่พน้นแล้วแสดงว่าเราติดเด็กอยู่นั่นเองเข้าใจว่าหนีไปให้พน้นหนีจากควมคิดที่มันปรุงแต่งหนีจากเสียงเยือนยอสนอเสริญหนีจากลาบยศ หนีจากอันนี้จิงว่าเป็นผู้ไม่คล้องแวะกันว่าอย่างนั้นถ้าหากรับไปติดอย่างนั้นเ้วเอาแล้วกันทีเดียวรับรองได้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะถึงที่สุด ข, ของทุกได้เราอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปด้วยทุกเราจะเห็นทุกได้ทาไมก็ท่านบอกไปแล้วว่านอนอยู่ในซ่วมไม่ใช่ซ่วมนอนนะอุจจาระองอุจจาระคุณนะและอันี้ก็ หาว่าอุจจาระนั่นเป็นของดีมีเสี้อาหารดีๆนั่นกินอาหารดีๆบัด น, นี้ผู้เป็นเทวดากินของทีนน่ย์มันอ้ยมีสวรรค์ดีแต่มันจะพูดเรื่องเสี้ยวเสหายผมผมผมรักผมแพงกันนั่นมันต้องพูดเลยหลัดหลัดเพราะว่าเบลดามันอกี้หุดไปไมันนี่ต้องพูดเพื่อสรุปเนี่ยผมให้ฟังง่ายๆบัด น, นี้เทวดาก็าเห็นหนอนโอ้เพื่อนอันนี้ไม่ใช่ของดีนะโอ้ เอาของดีเมืองสวรรค์ว่ายังไงของดีเมืองสวรรค์นึกเอาก็ได้มันนึกขึ้นมาเห็นเนี่ยมันเป็นของทิพขึ้นมาแล้วมันสบายใจท่นว่าของทิพหมายถึงสบายใจไม่ใช่ว่าของทิพจะเลื่อนลอยมาสวมอันนั้นอันนี้อย่างที่พระเพื่อนๆว่าผ้าเนี่ยเลื่อนลอยมาจากอากาศแบบผ้ากระถิ่นเลื่อนลอยมาจากนุ่งผาเวหาอากาศเลยไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเหมัอนเดเนี่ยท่านว่าอันนั้นมันควรเปรียบเทียบอันนี้ไม่ใช่เป็นของใครเป็นของทุกคน จึงว่าเป็นสงแท้สงหมายถึงบุคคลทําดีนั่นเองอันพัฒน์สงยังนศิลป์พอนิสมมุตทเนะ น, นี่ยบวชแล้วก็ะสึกสกระกกร บ, บวดเนี่ยบวชมาแล้วสองเทื่อแล้วเป็นเจ้าหัวชนึงอายุ20ปีบวชได้6เดือนเทือนี้อายุสี่สิบกปีแล้วบวชได้หลายสี่เต็มแล้วเต็มไปทั้งฟูเลยนี่แหละเราให้เข้าใจจริงๆถ้าหากไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะมืดอยู่น่านจะท่วมหัวบ้านหลวงเขาเลียวหัวน่านจะท่วมศรีรษะมองไม่เห็นทิศทางเลย ดังนั้นให้พวกเราเป็นคนแข็งแต่งอย่าไปกินเด็ดโดยที่มีเหยื่อรอถ้าหากไปกินเด็ดที่มีเหยื่อรอมันจะติดปากเราเลยกืนไม่ได้ขายไม่ลงดิ้นไม่หลุดเลยเพราะมนันกูหลงแล้วติดออกไปพุ๊บเลได้ไปได้แต่คนใดไม่รู้อย่างนั้นสึ่งว่ายัางเป็นคนหลงท่านทั้งหลายจงทำควนไม่ประมาทให้ถึงฟ้องเอถิดคุว่าอันนี้หลวงพ่อบูรู้จักภาษาบาลีบรรา จะใด้หูหนึ่งหลวพบุญหัวใจขมาท่านทั้งหลายยืดสูงทั้งหลายมีพิสูจทั้งหลายหรือญาติโยรรมทั้งหลายว่าเีอก็ได้ไหมเพราะโายมยาทําความประมาทจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าทําความาทําความประมาทก็ไปติดเสียงเยอหยอสนเสริญหลาดหยดเนี่ยประมาทแล้วเนีย่ยยาไปติดเนี่ย่าไปติดก็มหมายถึงดูโคมคิดโอ้เข้ามาสมเราเมื่อกี้เราภูมิใจเอาทําอย่างนั้นเถอะ ไม่ทําตามเขาไม่ได้เพราะว่ากินของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกืนไม่ลงขายไม่ออกเช่นว่าอย่างที่เราเคยได้ยินพระเจวทัพไปเลี้ยงกับพระพุทธเจ้าได้ดูกิญจิตก็แสดงให้คนเหาะไปเป็นเมืองวันเป็นยองมือเลยยองมือพระยองมือไปต่องมือ่ะาพระเจ้าพิพิษานั้นชื่อว่าอย่างคนลูกพระเจ้าพิพิษาเนี่ยชื่อว่า แล้วพระเจ้าอ ส, ตาสตัตว์ศัตรูเนี่ยยองมือไปหอเหาะไปเราเก่งกวานี้แล้วมันจะเนี่ยสุท้านไม่เก่งเท่าเราไเลยบั น, นี้พระเจ้าสัตว์ศัตรูก็เลยเสือเนนเส้อเลยบนเนี้เสื้อแล้วก็ปฏิบัติเสื้อไปอย่างพระเจ้าสัตว์ศัตรูพูดพูดอย่างก็เสื้อไปอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าสัตว์ศัตรูเป็นคนรวยเลยพระเทวทัพ ก, ก็ไปอันนั้นทว่าหลวจิตโลกินญาจิตเนี่ยให้เข้าใจเมื่อเรายังไม่หลุดพ้นเนี่ยยังไม่คาดอย่างที่หลวงพ่อพูดเอาเสื้อในร้อนมาตัด เออมาดึงไว้เนี้ตัดจต่ไม่ขาดเลยซื้อว่าเรายังอยู่ในโลกกิจจิตทางนั้นยังว่าจิตเจตสิกยังไงก็ตามท่านจนันจงวะท่านจงทำความไม่ประมาให้ถึงคนดูความชี้จิตตลอดเวลาเคลื่อนไหวโดยวิธีใดดูอยู่ตลอดเวลานั่นเน่ยจึงเป็นคนไม่ประมาทแท้จงทําที่สุด ข, ของทุกเถอดนี่แหละคือนิพพานจิตเราหลุดพลังจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกตอดคืนมันขาดกันแล้วไม่มีนอนิจนาเลยท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ก็ครูบาอาจารย์ ตาเห็นลูกอย่าให้เป็นนกเสือโด่งงามอย่าให้เปยนยเป็นไซหูฟังเสียงยันพอมันยังมีอัยตนาดังนั้นปลาติดเด็ดจังว่ะติดเด็ดพอลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเสียงเยนยอเสนเสรินเป็นสิ่งพารุนแสบเผ็ดร้ายถ้าเด็กทนเอาเมือกับหนอ น, นั่นเองหนอนอย่างนั้นอยู่กับกองอุจจาระไม่รู้ว่าอุจจาระเป็นสิ่งแสบเผ็ดซัวร้ายขนาดไหนไม่รู้มันนีผู้เป็นเทวดาเอามาไปเซี่ยวไปไปเมืองสบายนะเฮาเด้อ เมื่อสวัสดีอุจละาไปสไม่มีแล้วอุจลาเี่โอ้ยอ ก, กูก็ไปนามึงไม่ได้แล้วเพราะกูกินขีนน้อันนี้ก็คือกันเน่ะบอกก็จะไปติดเสียงเยินหอสนาเสินลาบนยดมันก็ติด่ะมันกินอุจล่าจนหนอนเนี่ยมาันเนี่ยโลกิ้เนี่ยจงไปไม่ได้อะไรอะไรทั้งหมดเลยพระพุทธสอนไม่ดีแล้วดังนั้นจะสรุปเนื้อขมสั้นๆให้พวกเราเข้าใจให้มันตัดวงจรขาดจริงๆ ถ้าหากไม่ตัดวงจรขาจริงๆแล้วไม่รู้ทิศทางเลยเพียงรู้เดินไปเหนื่ยรู้อันาั้นพูดนะที่หลวงพ่อกล้าแต่ทุกคนต้องประสบหนึ่งหากยังไม่ประสบเดียวนี้จวนจะหมดลมหายใจอย่างนานไม่เกินห้านาทีอย่างเร็ววินาทีเดียวเท่านั้นจะประสบเรื่องนี้ถ้าหากเรารู้จากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่โดยพวไม่มีทุกข์ทันวาอยู่กับโลกโดยไม่ติดก้างควงขอของโลกทันวาอย่างนั้น อยู่กับใครไม่เดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนใครจะมาสมก่อแล้วไปใครจะมาตำหนินินทาก่อแล้วไปที่ว่าเราไปพ้นแล้วจากโลกนี้จิตเราพ้นแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเรามางเหือนแล้วทานมมามางเหินแล้วท่านค่าไหนสร้างเสียแล้วคือค่าคามคิดที่มันพลิกตัดตัดได้ทันทีเลยอันนี้แหละหนูกับแมว แมวตัวเม่นมีกำลังแล้วหนู อ, อมาพอนะ้าปุ๊บจับทันทีเลยหนูตายเลยเลือดแข็งเลยไม่มีเลือดเลยหนูกินแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยอันนี้ก็เหมือนกันดังที่เราเคยพูดเคยสอนกันครูบาอาจารย์สอนเอาไว้ว่าคนที่ยังมีกิเลสตายแล้วต้องขึ้นมาเกิดคนที่ไม่มีกิเลสนั้นตายแล้วมันก็เพราะมันไม่ขาดนี่เองถ้ามันขาดแล้วมันไม่มีอะไรอายตนะมันหมดไปแล้วท่านว่าอย่างนั้นที่พูดให้ฟังนี้กั นึกว่าทุกคนพอที่จะเข้าใจไม่มากก็น้อยเพราะว่าตั้งแต่วันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสองสามสี่วันนี้แต่วันนี้ต้องเข้มแข็งเป็นที่ทีเดียวจะท่อถอยไม่ได้หมดลมหายใจก็เลิกกันเมื่อ น, นั้นถ้าหากายังไม่หมดลมหายใจต้องทำต้นจิตวจงทํากลมไม่ประมาทให้ถึงคนไม่ใช่ว่าไม่ประมาทเรื่องว่าไม่ให้ทานไม่รักษาเสียอันนั้นมันเป็นเรื่องปีก ย, ย้อย คำว่าไม่ประมาทม่จิตใจมันนึกคิดเห็นปุ๊บทันทีตัดทันทีนั่นทันว่าจึไม่ประมาทจึงเป็นผู้ไปคนได้ทันว่าอย่างนั้นเอาแหละที่ได้นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนสถานที่นี้อาตามาขออ้งอาองเหี้ยเคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทาทั้งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสมรัสมสมาสัมพุทธเจ้า และคุณคอมลาตาสาวกพระสมาสิพุะธจามาเตือนจิตสักิจัยของพวกเราให้พวกเราได้ประสบพบเห็นเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่แปลว่าเราทําตามพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่ได้ทําตามกับคนอื่น ถ้าเราไปติดเบ็ดแล้วแสดงว่าเราไม่ทําตามกับพระพุทธเจ้าแล้วนะหลงแล้วมันจะเลอะเลียมอย่างไรกูปะธรรมโมอกุปะธรรมโมปริหานะธรรมโมเจตนาพโพอนุล k a r n a t a k พภูยังน้อยมันไม่ขาดมันไม่มีคาลังท่านว่าอนุล Karnataka พภูเลยแต่รู้ก็จริงแต่มันยังไม่ขาดเจตนาพโพอนุล k a r n a t a k พภู apo, apo, ปุถุสนโคตลาภู oh oo, ที่แรกต้องเป็นปุถุสุนบัตรนี้ข้ามพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมานัน ขอให้ทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในซีวิสนี้จงทุกๆคนเธอเราเคยได้ยินได้ฟังนะไปที่ไหนต้องเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องอะไรมันเรียกร้องให้มาฟังฟังคําพูดคาเตือนดังนั้นการฟังเทศน์ต้องเข้าใจถ้าหากไม่เข้าใจแล้วมันก็ได้ผลน้อยหรือมันไม่คุ้มค่าที่เราจะนั่งฟังพูดอย่างนี้ก็ค่อนข้างหนะักแต่กม่หนัก ถ้าไม่คุ้มค้าที่เรานั่งแล้วก็เสียเวลาคนเป็นเพศเรลาจึงเงินเป็นแสนเพราะว่าอาซีดแต่ละคนละคนเก็บพร้อมขึม้นอาซีดแต่ละคนละคนเห็นไปทํางานเนี่ยวันอาทิวันเสาร์พักงานบางคนวันสเสาร์เหนื่อยมากพักวันอาทิตยบางคนก็ได้พักวันเสาร์อาทิเป็นอย่างตัวอาซีดให้เราทำ ดังนั้นคนคงพยายามแรงางานเีอะขามากไม่เหมือนกับมีบ้านหลวงพ่อพ่อเสียงไม่ค่อยดีนะเสียงมังกงเนี่ยหันลําโพงออกไปข้างนอกดีนะต้องทํามาจริงวัาต้องตั้งใจจริงๆถ้าหากไม่ตั้งใจแล้วจะเข้าใจไม่ได้ผลที่เราเปิดอบรมกันมานี่ตั้งแต่วันที่สามติดเป็นเวลาห้าวันก็ะรูดซึกว่า เป็นจํานวนน้อยที่จะเข้าใจยูบนานแต่บัดนีนด้ที่จะเข้าใจกบคิดก่อนยิ่งน้อยไปบัดนี้ที่จะเข้าใจว่าการเดินเข้าไปจริงๆเรื่องีจริงๆก็ยังน้อยไปดังนั้นจะเรียกร้องให้พวกเราฟังนี่ก็ยังน้อยที่สุดจะเป็นคนคุมน้อยมากดังนั้นปีเก่าที่ผ่านมาปีเป็นปีใหม่ปีเก่าที่ผ่านไปแล้วเราจะไปยกเรื่องอาอกาอดีที่ปีที่แล้วมา พูดมันก็ไม่ได้ผลวันนี้เราจะไปยกเอาอะไรมาพูดกันยกปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ผลอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ได้ผลมันจะได้ผลดีแต่เท่าปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญวิปัสสนาก็ตามเป็นสมถะไม่ต้องพูดวันนี้การให้ทานเนี่ยท่านว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง การให้ทานลอยคลั่งผันเหอานีสงส์นั่นแหะจะได้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องว่าทานให้จัดเอกสารทานให้คนผู้สิ้นคนผู้มีสิ้นคนไม่มีสิ้ทานให้ไม่ต้องพูดถึงก็รมันยาวการให้ทานเนี่ยลอยพั่งผันเหก็ตามสู้คนรู้สึกข้างเดียวไม่ได้การนักษาจิตจะทําให้จิตใจเราหนักแน่นเท่าแต่ก็ตามแต่ยังสู้การรู้สึกตัวข้า้งเดียวไม่ได้ทัาไร การรู้สึกตัวในจิตมีอ น, นิสงส์มากทําไมมีอ น, นิสงส์มากเพราะจะให้รู้จักว่าเสียงผลลั้งอยู่ตรงนี้เราต้องเดินไปหาเสียงผลได้การให้ฐานันยังไม่ได้ยินเสียงผลลั้งหราเรียกเรายัางไม่ได้ยินเลยดังนั้นการทําความสงบก็เช่นเดียวกันยังไม่รู้จักการรักษาสิ่งก็ยังไม่รู้จักดังนั้นจึงว่าทำควารู้สึกตัวให้มากประเมินผลแล้วเลยว่าวัฒนธรรมไหน ปีนีเ้เปิดอบรมนี่ยืดเต๋าเปิดโอกาสให้คนมาถามได้เรียกร้องให้คนมาดูได้เลยสันพิทิโพนอันผู้รู้จะพึนงนิ่งทางการดิโพไม่ก่อการและเวลาจะจะไปยุบในสัมปันในก่อการเรีย ก, ก, กร้ะะกกกาารกองสมัดูได้เป็นการเรียกร้องขันญาติโยมมาได้ทุกโอกาสมาได้ทุกเวลาแต่ว่าหลวงพ่อว่าผู้เรียนอยู่คนนี้นนะนะมีข้อกิวว่าจะหนึ่งเอผู้จักเร็วพระนิ่ง เล้าอาตมากข้าใว่าพระเลนทุกองค์คงจะต้อนรับญาติโยมได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นที่ว่าลัทธิไหนเป็นสาธานะผู้เส้นใจแต่ว่าไม่เป็นสาธาณะกับบุคคลผู้ที่ยังติดอยู่ใ น, ในเรื่องปาจิตเด็กนั่นเองในสิ่งแต่คนใดที่วิจิตออกจากตัวได้เป็นสาธานะในสิ่ ง, งเพราะว่าทีนี้พูดแล้วไม่ต้องติดอะไรทั้งหมดเลยถ้าติดอยู่ก็ไปไม่ได้คันว่าไม่ติด เป็นอิสระคำว่าอิสระนี่ก็ไม่ได้ผลถ้าอิสระทําไปตามใจครอบคไม่ได้ผลดันั้นคําว่าอิสระในทีนี้พออยากพูดให้เข้าใจกันเดี๋ยอิสระก็หมายถึงบุคคลที่พ้นไปจากอันตรายนั่นเองถ้าหากยังไม่พ้นไปจากอันตรายก็เป็นอิสระไม่ได้คําว่าอันตรายเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้พูดกันน้อยๆถึงพ้นจากผมโลคภูมิป่วยภูมิหลงอันนี้กับพ้นจากอันตรายเช่นเดียวกัน คนจากการอิสระได้ส่ายเดีย็ยๆอันนกับคนจะอันตรายเช่นเดียวกันคนจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้กับเป็นการเป็นอิสระได้จริงๆแต่ว่ามันอิสระมังไม่สมีให้เราเข้าใจว่า พ, าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอิสระเด็ดหมายถึ ง, าถ ง, าถ ง, าถงการเกิดก็ไม่มีการตายก็ไม่มีเชื่อพิอิสระเทสดังนั้นทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเคยรับรองและประกาศนี้ไปด้วยนะจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเพราะว่าเป็นคน ที่ไม่โกหกไม่หลอกลวงเพราะว่าไม่โกหกไม่หลอกลวงเนี่ยหมายถึงของจริงเรียกว่าอริยสัจสัจจะจึเป็นของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันถ้าเราไปติดเสียงสนัเสริญเยอนยออยู่ไปไม่พ้นวันนี้เราไปไม่พอใจที่เขาตาหนิอีกหาเข้าไปไม่พ้นวันนี้เราไปสนเสริญหรือไปติดอะันหนึยว่าิดเด็กตรงนั้นใ่ไหมตาติดเด็กพิสไม่ออกเลยเมื่อเขาติดเราก็จูงเั็นตามกระวันนี้อิสระบันนี้ คำว่าอิสระก็ไม่รู้จักทิศทางก็ไม่ได้อีกแล้วเหมือนดังนกบินทองฟ้าเนี่ยจะไปจุดไหนไม่รู้เลยบินตลอดไปเลยวกไปเรียนมาวกไปเรียนมาไม่รู้จักจบเลยอันนั้นก็อิสระโดยที่ไม่รู้สึกดังนั้นคำว่าอิสระเนี่ยจะให้เขาใจวันนี้กลับมาพูดกันเรื่องสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินี่ทุกคนรู้啊เห็นทูกต้องเห็นทุกต้องเห็นอะไรก็ว่าทําดีได้ดีสังเกได้ชู่อันนั้นก็ถูกแล้ววันนี้ต้องแขกันเพราะว่า <c oughs> จะเป็นการประเมินประมวลคําพูดคือให้เราจับไปใช้ได้นั้นคำว่าสัมมาทิฏฐินั่นคือเห็นตาเป็นตาจริงๆเห็นหูเป็นหูจริงๆเห็นดังบรรลุคอในรดังเห็นจมูกเป็นจมูกจริงๆเห็นปากเป็นปากจริงๆเห็นกายเป็นกายจริงๆนึกตําหนิแพ้ที่รี้ับอยู่ที่ไหนก็รู้นั่นรจวัดสัมมาทิฏฐิแพ้เอาสมมุติอย่างที่ตําหนิแพ้เราอยู่ที่ผ้าปกผิดพุ่มที่ไหนก็ตามเราต้องรู้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 ตาแล้วิญญาณจะเสดที่ไหนมีจริงไหมอันนั้นยิ่งถามก็ยิ่งไม่รู้เพราะเรายังไม่เห็นแผลที่ลีรลับนั่นเองวิญญาณเนี่ยท่านพูดว่าอย่างนี้วิญญาณเป็นอะไรแต่ท่านผู้รู้เนี่ยประเมินเอาไว้ไว่าไฟที่มันไหม้ไม่ไหมจะเป็นไม่ดิบก็ตามไม่แห้งก็ตามไม่อะไรก็ตามเมื่อเอาไปสุมระชุบเ ข, ข้าไฟแล้วไฟมันไม่เป็นเท่าทั้งหมดเลยอันนี้เท่าไม่แห้งอันนี้เท่าไม่ดิบไม่เคยมีแล้วถ้าเป็นเท่ามันก็เป็นหมดไปจริงจริง คนเราก็เหมือนกันตายทุกคนที่เดียวทุกคนแม่จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องตายอันรูปอันนี้นะแต่ว่าผู้ทุกคนก็ต้องตายจริงๆนี่เราให้เข้าใจจริงๆแผลที่รีรับเราไม่มองเห็นได้แต่บางคนก็ต้องเห็นอย่างที่เราถามไปเนี่ยตำหนีแผลอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จับทุกันที่มีแผลของเราดังนั้นจึงว่าให้เราสนใจเรื่องชี่ิจิตใจของเราที่ว่าทุกจริงทุกอย่างมาประมวลลงที่ผัวมือสิบตัวนี้เอง ความรู้สึกตัวอันเนี้ยคิดขึ้นมานี้เนี่ยอันนี้เ mm hmm. ขาเรียกว่าสัญญารู้เนี่ยสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยอ้าวมันคิดการรู้เนี่ยความหมายรู้จําได้เนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยความหมายรู้จําได้ตาเลือดสายแล่หัวเนี่ยความหมายรู้จําได้เอียงมายังนึกความหมายอันความหมายรู้จําได้ทันทีนว่าสัญญาสัญญาอันนี้แหจะประเมินให้สัญญาอันเนี้ยจะประมวลให้ ปัญญาอันเนี้จะเป็นสิ่งที่หนักแน่นให้ทำไมเลยนะหนักแน่นกระโดดคนผู้ที่มีศิ่งระเมินให้กระว่าผู้รู้จักคุณค่าของตัวเองบัด น, นี้ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองหนักแน่นอยู่ในตัวเองแล้วสมำติปัญญาก็ยหลอบรู้บัด น, นี้จะพูดให้ฟังเรารู้จักรูปนามนีเอาสมมุติเท่ะนั้นแตว่าขอ้อความจริงรู้จักรูปนามแล้วนามอย่างท่วมศิตสัเพียงได้ยินเสียงขนล่องมาข้างนี้มาข้างนี้เดินไปได้ บัด น, นี้คนรู้จักปรมาสเอาจิตใจเปลี่ยนขั้งหนึ่งแล้วนี่เพียงคอน้ำจะมองเห็นอย่างนี้แต่ว่าไปก็นานถึงบางทีอาจไม่ถึงก็ได้เพราะมันน้ําไหลเที่ยวบัด น, นี้ต้องพูดอย่างนี้เดินไปอาจจะลอยแตได้บัดหลวงคนอเรียก ว, ว่าลอยเมื่อลอยก็ต้องดำนี่จริงนะบัด น, นี้คนที่นั่งเพียงอกนี่น้าเพียงอกนี่อันนี้กระแสดีว่ามองเห็นหน้าตา ด, ดั้งเดิมแต่ว่ายังจําไม่ได้สนิทหน้าตา ด, ดั้งเดิมเป็นยังไงเราจะไม่ได้มอง นี่น้ำเพอเพียงขาเรามองเข้าไปใกลๆคนที่อยู่คอยเรียกเรานะคนที่เรียกเรานะมันได้ยินเนี่คน ท, าทานี่มาทางนี้มาทางนี้นี่บันี้สมมุติพูดนะ่นี่คนจะไปหาคนต้องมีการเรียกร้องกันถ้าไม่มีการเรียกร้องไม่ต้องไปไปไม่ถึงพอเดินน้ำเพียงขา <ๆ S 2> เพียงเข้าเพียงเทีเรียกร้องกันมาทางนี้มาเยเราเดิเนเข้าไปใกล้หมายถึงว่าเข้าไปใกล้เองนั่นงหลวงพ่อพูดนี่น้ำเพียงกลางขามองเห็นหน้าตา ก็จะทัดขึ้นบันนี้น้ําเพียงเขามันเข้าไปใกล้แต่จะมองเห็นชัดๆน้นําเพียงเทาเราคนนี้มองเห็นชัดอันนี้ก็แสดงว่าเราจะได้ไปเจอหรือไปเห็นหน้าตาดัา้งเดิมพ่อของเราแม่ของเราเป็นยังไงเราจะได้รู้เองอย่าคิดเพียงว่าเออคือพ่อเราคือแม่เราเข้าไปจับแทงจับขาจับเนื้อจับหนังไม่ใช่พ่อเราจริงไม่ใช่แม่เราจริง อันเดินไปหาพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะปฏิบัติหลักพุทธศาสนาไม่ตรงที่หลวงพ่อคุณอันนี้หลวงพ่อจําได้แต่เมื่ออายุยี่สิบปีไม่หลงเลยคําพูดอันนี้มันฝังแน่นอยู่ในพันธจิตใจเจ้าคณะอําเภอเชียงคานพระคูวิชิตธรรมจารย์เนี่ยพูดให้ฟังในประเทศอินเดียมีร้อยแปดศาสนาร้อยแปดลัที่ร้อยแปดนิกายนะเป็นาอย่างไง การศึกษาหลักพุทธศาสานาต้องเข้าใจจริงๆร้อยแปดคนนั้นทําไมจึงไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ปฏิบัติกับร้อแปดคนนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทํามาแล้วท่านเลเลาเคยได้ดีนมาแล้วให้ทานท่านก็ทํามาแล้วทํากรรมาฐานจนได้สมาบัติแปดสมาบัติเในทังภูนเข้าฌานออกฌานคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมท่านก็ทํามาแล้วอันนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ยังไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติทันวันยะ่างไงปฏิบัติได้แต่มันยังไม่เป็นที่เป็นทางที่จะเข้าไปถึงที่สุดของทุกได้ยังงอย่างนั้นเราก็มาอดข้าวอดน้ํากั้นลมหายใจอันนี้ก็พระองค์ได้ทํามาแล้วทุกอย่างนลยทุกอย่างเลยอันนี้ก็ทํามาแล้วคนอื่นจะทําเหมือนพระองค์ไม่มีทันวันะจะทํานอกเนอหนือเราไปไม่มีเพราะเราทําถึงที่สุดจนจะตายนะเข้ากินเท่าเม็ดเงาเป็ละวันละวัน ครูบาาจารยเราให้ฟังพอแม่เราให้ฟังวันนี้เราจะไปภาษาอะไรที่พวกเราทํากันทุกวันนี้บันนี้พระองค์ไม่ต้องพูดเรื่องผลไม้กินข้าวหนังสุดดาสมสมบูรณ์แล้วเนี่ยจึงเข้าสมบูรณ์แล้วที่ยังได้ตัดสรู้เปิพระพุทธเจ้าเพราะการทําทางใจทางจิตทางใจบันเดือนนี้ทําทางจิตทางใจทำยังไงไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะย์รู้แต่หลวงพ่อว่าทําทางใจหลวงพ่อต้องไปดูลมหายใจ เป็นอย่างนั้นหลวงพ น, นั่งคนตรนี้นี่อันนี้เลยใช่ไหมนำมา พ, พ, พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเพื่อทําคนเข้าใจกับพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามสี่จวัตสัมมาทิฏฐินั้นน่ะใครจะตัดสินให้ไม่ได้พวกร้อยแจ่คนกับหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้เราทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้นท่านรู้จักแต่ท่านก็นจะพูดว่าพวกนั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้หยิน ทนว่าเดละสานมีตาได้ยิ น, นเต็มปาไปนะเดลสานมีตาหมายถึงสิ่งที่ขวงกั้นครูบาจารย์เราให้ฟังเป็นสิ่งที่ขวงกั้นไม่ให้เรารูม้มรรคผลในพาไม่ให้เราเกิดปัญญาการเห็นแจ้งรู้สิงอันนี้ได้หินว่าอย่างนี้นี่ว่าเดละสารมีาถ้าองค์ตัดไว้อีกสิ่งคำสั้นๆเดี๋ยวหลวพอไม่รู้อายุสี่สิบหกปีหลวงพ่อยัออยงรู้เรื่องนี้ ทำเราใดเป็นไปเพื่ความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นด้วยไหนไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติมันให้โทษก็ยังงั้นแล้วแต่ไม่รู้หลวงพ่อหลวงพ่อไปนั่งภาวนาเหมือนแคงขาเนี่ยเวทนาเวทนาเวแต่หลวงพ่อไม่มีสัญญาเวทนาตัวนี้สัญญาหลวงพ่อไม่มีแต่รู้สึกว่าเวทนารู้แต่สัญญาไม่มี น, น, นานๆแล้วก็หายเลือนไปเลยในขณะเนี่ยหายนั่งได้หลักไปบางครั้งนั่งนั่งขัดสมาธิขาเที่ยวกันอย่างนี้เนี่ยทําให้ดูกระได้ที่หลวงพ่อเคยทามาไปเมื่อเดนเมทําอย่างนี้พูดเถอะทำนี่ว่าทําให้หมดฤิ์นะทํำให้นั่งทําอย่างนี้หลวงพ่อทำจริงๆ <c oughs> ทำอย่างนี้ทีเดียวเนี่ยทําอย่างนี้ขาหลวงพ่อที่มันหลวงพ่อนัอ่งขัดสมาี่ว่ามันเที่ยวดได้ หลับเล ย, เลยโดยเพาะไม่รู้เลยเอาหอมยังไปจดใจกันหลับแต่เหมือนอันนี้ก็บทนเอาเวทนาะเอาจําเป็นเวทั้งนะัมันเป็นอันนี้จงังเข้าใจว่าอันนี้เป็นทุกขงังเป็นอนนี้จังไม่ใช่เมื่อมาเข้าใจาอันนี้เป็นทุกขะเวทนาะทุกโรกโทกาทุกไข้ลำไสไม่ควรทําอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเลยอันนี้แหละทําเราใดเป็นไจผู้ควบเบียดเบีนตนเองเบียดเบียนตนเองญญนัง่งเป็นสิตายเจ็บแยงเจ็บหาเจ็บมือเนีย่ย ก็ยังไม่รู้เนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันเพราะหลวงพ่อทามาแล้วเรื่องเพลนี้ใครจะพูดหลงพ่อฟังไดง้จากนั้นมากินข้าววันละมื้อกินตอนเช้าอืมกินตอนเช้าทํางานทํางานเหมือนกันแต่ว่าผลนานนานมันก็ยับเพให้มันน้อยแต่ก็ทํามาพอสมควรเรื่องมนอันนี้กระเบียดเดือนตนเองร่างกายมันต้องการต้องให้หนะแรกหลวงพ่อกะ็ะทำหลวงพ่อไม่รู้ว่าเบียดเดือนตนเองนี่เป็นยังไงหลวงพ่อไม่รู้ นึกว่าตัวเอืนได้ถือศีลแข้มข้นนีเป็นยังไงนึกว่าตัวเอือนได้นั่งนานๆภาวนาใช่ไหมควมหนักแน่นในใจได้นี่เพราะเราไม่เห็นแผลเราแผลที่มันลี้ลับเราไม่เห็นเลยอันนี้แสดงว่าการกระทําทุกอย่างนั้นอย่าพึ่งเข้าใจง่ายเกินไปและอย่าประจักสิงใจง่ายเกินไปเพราะท่านสอนว่าร้อยแปดลทัทธิร้อยเศษอาจารย์บางทีพระ สงองเจ้าไปสวยจับเอาละที่อื่นมาสอนเราก็ได้ครูบาอาจารย์ไปจับเอาละที่อื่นมาประเมินเขา้าประมวลเข้าเป็นคําสอนของพระเจ้าก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้นี่ยที่น้อยแป่คนอาจจะฝาบปบบนกันเข้าวว่าจะเป็นคําสอนของพระเจ้านั้นเป็นจริงอยู่เพราะว่าการให้ทานทําได้เหมือนกันศาสนาที่เขาเรียกวันุขอของเสงฆ์พวกที่ถือศาสนาพุทธเลยว่าใครทานเหมือนกันอันนี้นการให้ทาน ด้าในประเทศอินเดียก็มีคนขอทานมีคนให้ทานเหมือนกันดีแล้วแต่อันนั้นไม่ใช่แบบเป็นทางพ้นทุกเป็นเรื่องสังคมเรายังยินดีต่อการให้ทานยินดีต่อการรักษาศีลยังมีเสียงเยินยอสนเสริญกันได้ยินดีฟาติกเบ็ดทีบันนี้พูดเป็นอิสระบันเนี่ยอ้าวไม่ต้องสิดธิใครเลยบันเนี่ยเป็นอิสระเลยไปไหนมาไหนตามชอบใจอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันเป็นเพราะว่า ไม่รู้ติดตัวเองนี้เองอ่พูดแล้วพูดอีกนั่นถ้าพระเจ้าก็เลยประพูดว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแตถาคดสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตคือกันเมื่ออย่างไม่รู้ต้องซีน้นนนี้ไม่มีจุดจบเลยแล้วคนผู้เดินตามจะไปที่ไหนจบกันที่ไหนที่มันจุดจบว่าเป็นอริยสัตว์ไม่รู้เลยหลวงพไม่รู้คําว่าตัจจะก็หมายถึงของจริงอะห้าแม้ข่าสัตว์อาเทนาคาเมมูสา ตุลาทีกระโผล่มาจากทิ่ตะวจาซาตะลกไปมันเป็นสิ้สินสินยั่งไปเนาะก็ถือว่าสัจจะอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยนะผมไม่รู้อายุสี่สิหกปีแล้วใครจะพูดยังไงสังได้คําว่าสัจจะนี่รู้จริงจิแต่คําว่าสัจจะเรื่องของจริงนะแต่ไม่ต้องพูดเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมัสสัจจะอันนี้อันนั้นมันเป็นคําพูดบางทีพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะมันหลายคนทุกสมุ ท, มาาทัยนิโรธมกาายทนิตธรรม ไม่พูดได้ด้วยศาสนาเพราะตำรามันมีบางทีพระพุทธเจ้าอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้ไม่จะพูดเรื่องนี้ก็ได้เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นการทำข่มรู้สิดตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอริยสัจจริงข่มรู้สึดตัวสัดจากเรื่องของจริงวันนี้คนอื่นจะมาดีเหนือนเราไม่ได้รู้เรือเ่อเราไม่ได้หลวงพ่อกํามือในคนอื่นเห็นหลวพ่อกรรมือแต่รู้หลวงพ่อสัมผสัผสหนักเบาขนาดไหนไม่รู้หลวงพ่อพิตาในทุกคนมองเห็นแต่หลวงพ่อมีความสัมผัสหนักเบาเท่าใดไม่รู้เนี่ย ว่าความรู้ของตัวเองเนี่ยดีเท่าที่ตัวเองรู้จริงแต่คนอื่นจะรู้ดีคนเราไม่ได้เลดตำแหนแท้เราอยู่ที่ไหนที่รีรับเราจะรู้เองคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้เนื้อเรียกว่าสัจจะทุกคนต้องไปที่นี้บนันลัดเข้ามาเลยเป็นอิสระจริงๆคขาบ่าอิสระเนี่ยหมายถึงไม่คล้องแวะไม่สนใจไ ม, สสไม่สงสัยเพราไม่สงสัยด้วยไม่รู้ไม่ได้อย่างนั้น เขาไม่สงสัยหมายถึงว่าเราเดินมาแล้วทางสายนี้เราเดินมาแล้วเรารู้พระพุทธเจ้าจึงรู้แน่จิ๋วพวกเด ร, รัจฉานดิชาดิชาขวงตั้นทนั้พระพุทธธรรมมาแล้วเนี่ยแ้่เข้าสารออกสารได้มาอดเข้าได้ทุกอย่างพระพุทธธรรมมาแล้วจิอวสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่งางเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเรล่าแต่ท่านคนนี้เนี่ยถ้าพระเจ้าเห็นแล้วนี่ยเห็นอะไรก็เห็นตัวเหล่านี้เองเคลื่อนไหวโดยวิธีการู้ท่านจึงว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอินญาบุทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนให้มีสติรู้ท่านว่าอย่างนั้นเองเราก็ยังไม่ได้เข้ามาทีนี้เราก็เปเรียนตำรานเข้าใจอย่างนั้นเท่านั้นก็นยังไม่พอท่านจึงว่า ให้มีสตรีกำนวลูุในอิรียาบทย้อยคู่เหยื่อเคลืนไหวคำว่าคู่เหยื่อเคลืนไหวเนี่ยหมายถึงอะไรแทงขาเนี่ยมันเข้าไปตามคอมันนะที่เอาที่นี่ทับเขาไม่ได้แทนเนี่ยมันก็ทับที่ตรงนี้ทับที่ตรงนี้แล้วก็ต้องให้รู้จักว่าคนอุจจารู้เห็นเหนือเราไม่าใดๆตอนนี้มันคลิกตาจเมือคึคึงโยกที่มันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันคลิกขึ้นมาเองตอนนี้มันเลือกไส้แหลกหัวกรลูดตอนนี้มันหายใจเข้าหายใจออกมันคลิกกรลูดเล ทวนเคลื่อนไหวที่คนมองเห็นได้อย่างที่คนมองเห็นได้คิดตามองคนเห็นได้หายใจคนเห็นได้จิตนึกคิดไม่เห็นเลยคนอื่นจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้เพราะใจเราคิดบัด น, นี้พระพุทธเจ้าจึงวายพระวกระลิกเนี่ยพระวกระลิกเนี่ยบรรดูพระพุทธเจ้าลูกสมอันนี้ก็จริงเราเคยพูดกันอย่ในตัวผมก็เคยพูดอย่างนี้เพราะว่าสังคมพูดก็ต้องไปตามวันนี้ก็ต้องตัดเนื้อลายมันมันต้องเป็นหมอตัดผ่าตัดจริงๆริง น, นีน อันนั้นไม่จริงจริงแต่จริงโดยสมมุติพระวักกะฤทธไปชอบพระพุทธเจ้านั้นอันนั้นกระทุ้เพราะยินดีเนี่ยอารมณ์ขมสงบอันนี้เลยเพราะมันคิดก็ยินดีในี่ยคงคิดว่าเจ้าของรู้อันนั้นรู้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงอันนั้นถ้าวักกะฤทธหนีหนีจากสำ น, นักเราเนี่หนีไปอย่ามาอยู่ใกล้เราพระวักกะฤก็จะไปโจนเหว่ตายเลยก็เสียใจใน อ, อกคั้งพอดูบอกให้ทําจังหวะเคลื่อนมือแรงๆเนี่ยไม่อยากทําเลยพวกกรรมฐานไปยั หนีไปให้พนก้นหมายที่มันหนีจากความคิดนิอารมณ์นั่นเองอย่าไปติดอย่าไปคล้องได้อยู่อารมณ์ที่เรารู้นั้นทันวันนั่นแหละแล้ความคิดที่มันปูงแต่งอย่าไปติดไปติดอันนั้นน่ะมันอยู่ในโลงทันวันมันเป็นคําสมมุติทั้งนั้นและพวกเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกมันจะไม่รู้เลยไม่ใช่หนวพ่อเป็นผู้สื่อขีดสุดของทุกนี่แต่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเสมอตัวทุกคนมีเหมือนกันเข้าใจอย่างนี้ ทำไมจะเสมอตัวเองก็พวกมูอก็มีแขนมีขามีตามีเท่าเหมือนกันเป็นผู้หญิงกับเป็นเหมือนกันเป็นผู้ชายกับเป็นเหมือนกันมีธาตุซีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุอไรธาตุลมคือกันมีคือกันเม็ดเจตเตอเตี้ยนแตงไม่เหมือนกันเป็นบางส่วนนั้นทุกคนก็ต้องรู้แต่จิตใจคิดเหมือนกันเี่ว่าทำอันนี่จะไม่เป็นของใครเลยเมื่อรู้แล้วจะสงวนหรือกริ์ไม่ได้รู้แล้วจะไปสอนคนอื่นให้เขารู้ทันทีไม่ได้มันต้องลงมือทำเองอันนี้จะว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเท่างนั้น อันนี้ที่จะพาตัดวันนี้นะจะพาตัดด้วยอรญยตัดเพาราะว่าอาญาตัดนี่คำว่าทุกสมุไทยยิ่งลดมากทุกมีจริงสมุไทยมีจริงยิ่งลดมีจริงมากมีจริงเวอย์กับไม่ต้องพาตัดตัวนี้หลงพ่อจะพาตัดตัวสัจจะหนึ่งทุกคนต้องตายคนไทยก็ตายคนจีนก็นตายคนฝรั่งเลือกคนยิงคนตายถ้าทรงองค์จะกษ์็ตายนี่เป็นสัจจะอันหนึ่งเนี่ยตายสอง แต่ทุกคนก็จะประสบอันนี้จริงๆเนี่ยสามนี้ในพ้นถ้าเราทําจริงๆมันจะได้ดูเดี๋ยวนี้สึ่งเกิดก็ไม่หนีตายก็ไม่หีเหมือนกับที่เอาไฟเอาไม้ไปเดี๋ยวไม่แห้งก็ตามไม่ยดีก็ตามไปสูงไฟแล้วแบบนี้ไฟไม้มันเป็นเท้าขาวๆอันนี้เท้าไม่ดิบไม่รู้อันนี้เท้าไม่ตายไม่รู้ถ้าไม่แห้งมันเป็นเท้าเหมือนกันแต่ว่าเราจะตัดสินว่าตายแล้วเกิดจะไม่ได้ ตายแล้วศูนย์เขาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ตายแล้วเป็จะดิบตายแล้วศูนย์กระดิบนี่จะเป็นสัจจะที่พราพุเจ้าท่านรู้มาดังนั้นเราต้องประสบจริงๆเรื่องนี้ถ้าหากไม่ประสบเรเื่องนี้ชื่อว่าเรายังไม่คาดเลยหลวงพ่อเคยทําให้ดูจะไม่ได้ทำดอกพูดธเอาเสื้อกุูกนี่พูทธนี่ตัดตรงกลางครับเมื่อเสื้อมันตัดตรงกลางครับมันึงจริงเสื้อมันจะมาติดเสองทับแนบแนบอยู่กับนี่เลยทันทีกระจะแนบแนบจะนั่บดึงเข้าไม่ศูนกันเลย เพามันคาดแล้วอันเนี้ยมันคาดแล้วอันนั้นเนี่ยท่านจะรู้เองจะ ต, ตัดสิในใจปุ๊บผลนั้นเลยนี่แหละตัดจากแล้วของสิ่งเตอนแสงไม่ได้คนพวกเราคันวายที่จาพวกเราก็ที่ตกใจญาติโยมไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะไปเชื่อตำราญาติโยมปฏิบัติธรรมถ้าหากรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำเป็นผ้าเรียบบุคคลแล้วถ้าไม่บวชต้องตายเลยท่า น, นว่าอย่างนี้แล้วผู้ยิย่งกว่านั้นัวปา ผู้ตากยกัจันได้ปาเมียไปบันย์กันี้อาจารย์ได้บวชบันี้หรือว่กากัจจันกัจจันป่าลูกป่าหลานยัจนป่าทรัพย์ถึงมรรคเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อก็เข้าใจแต่หลกงอกล้าหลวงพ่ออยากรู้ทะเป็นยังไงหลวงพ่อกล้าทำแต่หลวงพ่อกกลัวตายยกเช่เดยวกเอาคนตายเป็นธรรมดาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นยัว่าเรื่องอสุภะไม่ต้องพิจนารณาเลยหลวงพ่อยัว่าตัดตรงเข้าไปเลยอันนี้เรียกว่าลัดตรงไปไม่มีภาดเลยเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อคิดเองนะแต่หลวงพ่อเห็นอย่างนี้คนเห็นอรู้ สัมมาทิสตรว่าแกว่าคุณเห็นรู้ก็ตายจริงตายจริงๆอันนี้ใครจะว่ายังไงออาภาษาอังกฤษเขาจะว่ายังไงไม่รู้เนื้อภาษาคำเน้ภาษาอินเดียจะว่าคนไทยต้องรู้ว่าตายภาษาอังกฤษเขาปฏิบัติเขาจะรู้ว่าตายเขาเขจะว่าภาษาของเขาบันนี้คนไทยปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าตายเอาบันนี้คนไทยเมื่อปฏิบัติอันนี้รู้อันนี้จริงจริงแล้วบันีนี้เดินไปละจิเลสได้อ่าคนไทยก็จะว่ากิเลสก็ได้รู้ประเทศเอียว่าอย่างก็ได้กิเลสหมายถึงอะไรไม่เดี๋ยวนี้ในทุกคน ไ ม, มไม่มีโกดเลยจริงๆไม่มีโทสะโมหะโลภะไม่มีเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เองงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเมื่อเราเดินทางไปเห็นต้นไม้อันเห็นต้นไม้อันสลายไปเห็นต้นไม้อันไม่ไปสะดุดเลยบัดนี้เมื่อสัญญาตัวนี้ทำเกิดขึ้นมากขึ้นมาเลยโทสะโมหะโลภะไม่มีเลยมือขึ้นมาเพราะเราไม่มีสัญญานั้นเองเมื่อเราไม่มีสัญญาตัวนี้ด้วยว่าน้าสีเราพอจะเรียนน้าสี น้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพร้อยเปอรนน้ำสีแดงนะเอามาลงน้ำเอาผ้าขาวไปซุกน้ำแดงไปกันทีเลยเพราะไม่มีสัญญาตัวนี้เองแบบ น, นี้อา้าวน้ำสีเต็นกระป๋องถูกไหมไปแล้วบนี้เอาไปลงน้ำเอาผ้าขาวไปซุกมันจะไม่ติดเลยเพราะสัญญาตัวนี้กันว่าที่ว่าถิ่งจะเป็นเครื่องกํกจาจัดสเดียดันเงาเพราะมันเป็นการที่วันหนักแน่นจึงไม่หลงไม่ลืมแนบแน่นอยู่กับสินเหล่านั้น ก่เลที่ว่ามันหนักแม่ยอดมีสินหลวงพ่อพูดจะเน่ไม่ต้องพูดอารมุปรุ่นน้ำนะมันจะพูดเข้าขั้นเลยเพราะว่าอยากให้เวลาเน่น้อยช่วงลูกขันลูกมีสินเทนาขันเวทนามีสินสัญญาขันสัญญามีสินสังขานขันสังขานมีสินวิญญาณขันวิญญาณมีสินก้อนที่จะมีสินก็เพราะมีสัญญาเท่นั้นเองถ้าไม่มีสัญญาแล้วไม่มีสินเลยเพราะเราหลงน เพรคืองมันจะเข้ามาปั่วสายตาเราเลยบระเด็นเราเรามีศีลเดี๋ยวคู่ต่อสู้มาเอาเอาขึ้นมาเลยขึ้นในเวทีจกหลุมตาเลยใส่สองตาเล ย, เลยคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้ทุกครั้งไปดังนั้นการเรียนตำราดีแล้วดังนั้นหมอหมวยหมอหมวยนี่นะจะไปเรียนจะครูมันจะเปลี่ยนเตี้ยนได้ไม่ไม่เป็ น, เ ป, นเป็นไม่ได้เพราะยังไม่เคยเข้าสู้กับคู่ต่อสู้มันเลยดังนั้นการเรียนตำราถึงไปถึงเพียงเฉพียเท่านั้นเอง การให้ทานก็ตามการรักษาที่ว่มันเป็นขนมทานเรียนเป็นประเทีนบัดนี้ค น, นที่จะเป็นเซียนเพื่อได้ต้องต่อสู้ในเวทีทุกเวทีคนนั้นใหญ่ก็เราสูงก็เราน้อยก็เราแม้ตำนางก็เราไม่ต้องคิดเลยอันนี้คูดให้ฟังขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้ครูเลยเพราะเรียนมาแล้วกับครูยางใส่มาถ้าเขาซกเราเขาเป็นธรรมดาเราไม่เท่ที่ยงขนาดเราไม่ต้องซกเลยพอเด็คู่ต่อสู้เข้ามาไม่ต้องมองที่ไหนซกแขนซกขามันจะไม่อยู่ ยกลงตาไปสองตาปุ๊บสาคัญเลยถึงมันจะไม่เจ็บมันก็มื่นตาไม่ได้มันมืดเนี่ยเอาลองดูก็ได้มืดๆเป็นก่อนเอาเราก็เข้าไปจะปลดหัวมันได้ก็ได้อพอเดี๋มันลุกขึ้นมาตีตาอีกทีแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้แหละจะได้เตือนเตือนเห็น่ามยังไงอันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันสมมุติพูดเหตุสรางดังนั้นเราไปติดตํำรายอยู่กับเหมือนนกติดตังนั่นเองเราออกจากตําลาวางไว้ตำลาอย่าไปทําลายถ้าไปทําลายไม่ได้ดังนั้นเมื่อใดยังไม่วางตําลาแล้วก็ พูดพันเรียงนั้นแหละเป็อย่างนั้นด้วยอุปทานก็ได้คิดว่าอย่างไรก็ได้จริงๆคาว่าอุปทานเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนจริงๆดังนั้นคืว่าทุกคนต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงกำไรซะด้วยนะฟังเนี่ยหลักชนะจิตใจอันนี้แหละมันจะไปฟังว่างไปเนี่ยว่างๆคำว่าจิตว่างว่างๆเนี่ยมันไม่ใช่จิตว่างว่างๆไปด้วยควไม่มีอะไรว่างๆเข้าไปว่างๆเข้าไปมันจะพอมีสัญญาบางๆเข้าไป เมื่อว่างว่าอันนี้เข้าไปแล้วมันจะไปถึงที่สุด ข, ของทุกได้ทันไนอย่างนั้นเมื่อไปว่างว่างเข้าไปไม่มีอะไรมันจะขาดเองเพราะดูคุกคิดนี้เองดูการเคลื่อนไหวนี้เองการทําให้มีความรู้สึกอันนี้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่หลงเนื้อไม่หลงตัวไม่หลงกายไม่หลงใจทั้งนั้นใจมันคึ้นปุ๊บใจเห็นทันทีเพราะหนูกับตัวโตแมวกับตัวโตมีกําลังเสมอการเจ้าแมวไม่เคยกลัวหนูเลย นักโมยคู่โตสู้เรากว่าเช่นยีส่งคณะเขากลัวเขาจะมาสู้เราทําไมเมื่อเขาเคยโชคมาหลายวิธีนึงเราก็ไม่กลัวหนูก็เช่นเดียวกันถ้ามันกลัวมันไม่ออกมาเลยมันไม่กลัวมันจะออกมาพอดีมาเจอแมวเข้าจับพุบตายทันทีเลยรวมคิดประเทศนั่งก็เช่นเดียวกันพอเดินมาเจอกับการเห็นแจ้งการรู้เถอะมันจะดับศูนย์ไปจริงจริงจะไม่ได้ดับศูนย์ไปมันใช้เหมือนบุคลิกนะบุคลิกนี้เองวมคิด ออกหน้าแล้วไม่มีโอกาสเจ้าชนะได้ต้องเอาคนเห็นแจ้งออกหน้าไปวงว่างๆไปวงว่างๆคัดไปเองไปบางนั้นเข้าอารมณ์นั้นเข้าอารมณ์นี้ไม่ใช่ทรงทางแล้วนะคือมันยังไม่เห็นแผลอันนั้นเองตําหนิเราที่ไม่รักเราไม่เห็นคือตําตํหนิของเราคือว่าสมมุติออนไลนอารมณ์ชอบใจล้วก็เข้าไปพิจารณาอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วก็ทิ้งเนี่ยตําหนิมันจะเป็นแผลอยู่เลย เราไม่เห็นอันนี้แหละจ้ะว่ามันไปรู้อันนั้นอันนี้รู้พระใจติดดกเร่อนั้นอาตมาไม่ได้ห้ามไม่ได้เงียบแต่เรื่องพระใจติดกเป็นเรื่องแผน็ที่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวการกระทําตัวการกระทําคือตัวรู้สึกตัวนี้เอง